ดูไอย่างนี้เขาไปเอาอนี่ถ้าว่าสามสัญญาสามี่เราสามารถตัดได้เราเป็นผรสโสดได้สุถาคาาดูไปอย่างนี้นี่ถว่าถ้าเราไม่ได้เกยตัวรียา้มันก็ไม่เป็นไรไอของก็เกล้แค่นี้มันคือสองย่างนี่เหวอสักายทิฏฐิคือผัสโสดาบันกับผัสสุาคาม เป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่เป็นผู้หนักภายในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าพระโสดาเกศสิธาคาเป็นผู้มีอาทิสสินร็นายคารมีเป็นผู้มีอาทิจิตพระหันมีอาทิปัญญาคําว่าที่นี้แปลว่ายิ่งยิ่งมากฉันั้นพระโสดากสิภาคามีก็มีสินห้าเป็นโบติพลังอง นี่เป็นตัวพื้นฐานใหญ่ถ้าเราไปดูสังโยชน์ก็ยากมันต้องดูอารมณ์ของคนที่เ ข, ขาทรงความเป็นโสดาเกตุทาคาว่าอารมณ์ปกติเข้าเป็นยังไงใช่ไหมอารมณ์ปกติก็เป็โนโสดาเกตุทาค า, ามีก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระเจ้าแน่สองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์ ได้คําว่าเคารพแล้วพระพุทธธรรมปะสงค์เนี่ยถ้าพูดถามแล้วทุกคนก็บอกว่าเคารพแล้วว่าจะเคารพแน่แล้วไม่แน่เขาดูกันที่ศีลเขาดูกันที่ศีลห้าถ้ายังบกพร่องในศีลห้าแสดงคนนั้นยังไม่ใช่ไม่ได้เคารพจริงโกหกถ้าเคารพจริงต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ ด้านใบโซดาบรรยงทรงคุณสี่อย่างคือหนึ่งขรรพระพุทธเจ้าจริงสองขอรรตประธนจริงสามขรรตนประสอ์จริงสี่มีสินห้าเป็นสมุทเฉิดคำว่ามีสินห้าเป็นสมุทเชิดป็นหมายความว่าสิห้าของเขาเนี่ก็ขรงแน่นนอนเขาไม่ละเมิดสินห้าโดยเจตนาใช่ไหม ก็้ก็โซดาบันมีธนีอะแค่ตูดหมาไงทำได้ไหมถา ไ, ไ, ไม่ได้ลงน่นไปไม่ต้องแช่งนะลงเองใครก็ดิ้งกันไม่ได้ก็แค่ตูดหมาแค่นี้ทำไม่ได้ไ ป, ไปนะไปนรกก็สิไม่อะไรทา่านทาันดาลทนันดมโสดาบันยังไงคนที่เคยโสดาบันก็ยังมีผัวมีเมียมีลูไมีเจ้า กิเลส ท, ทั้งหมดไม่ได้หมดไปแต่ว่าเป็นกิเลสถูกยับยั้งเรื่องกำลังของสี่เออโสดาปัญญงรักสวยรักงามยังทาปากแต่งหน้าดีไม่ดีทาลูกตาเป็นผีไปเลยแายเจนเนี่ยศึกษาทาลูกตาฉันตัวหลบทุกทีือมันเป็นผีมึงไปอย่างนี้จะว่าจะมายกให้เลยนะแถมไอีแสนยังไม่เอาคนได้แค่ทำเป็นผีไปได้ ไอ้ปกติมันก็แย่อยู่แนละ้วดันเสียมาทามาสกปรกอีกถ้ยังรักสวยรักงามอยู่ก็โสดาบันถ้าโสดาบันยังต้องการความรำ่ำรวยถ้าโสดาบันยังมีความโกรธถ้าโสดาบันยังมีความหลงถูกไหมแปลว่ารักเข้าอยู่ในขอบเขตของสี่ไม่หน่อใจโผล่ไม่หน่อใจเมียไม่ละเมิมดมนในความรู้ใช่ไหม รวยไวยสัมมาชีวะโลไม่ธาตมันเลยได้ผลไอเสือเตอ่ในกรงในโ ไ, ไมที่ว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักยังมีความอยากัวยยังมีความโรภจริงเรียกว่าหลงแต่ว่าอารมณ์หลงก็มาโสดามันน้อยกว่ารู้สึกธรรมดาตรงที่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตาย เนี่ยสกายุธิตีพระโสดาบินาคามีแค่ไหรู้สิตัวจะต้องตายถ้าเราพูดกันในด้านสมาทานเขาเรียกเขาถือว่าเป็นสมถะมรณานุสติคิดว่าเราจะตายอยู่เสมอแต่คิดว่าจะตายเราก็ต้องเตรียมตัวตายกูกไม่ไปวนรกนมโยมอไอปลาที่กูฆ่าไว้ไก่ที่เคยเชื่อคอขอนี่มึขโมยไว้มือไ ม, นะม่เอามึงอยู่ลังกูไม่ไปัมือเห็นไหม กูวิ่งนี้แล้วมึงเก่งจริงโกรธท่านผูน้ว่าเพราะตั้งท่ารักษาศิลบริสุทธิ์ได้เดินยืนท่าเนียเก่งจริงไหมที่พวกมาไปถึงเราใช่ไห ม, ไหมอันนี้อารมณ์คุณพระโสดาบันจริงๆถ้าเราใช้ทบทวนกคืนหนึ่งลืมตายขึ้นมาแล้วต้องนึกไว้เสมอว่าเราอาจจะตายวันนี้ถ้าเราจะต้องตายวันนี้ทําไมเราจริงจะไม่ลงมาใบา้เสี แต่ก็ต้องคุมพุทธานุปัติธรรมานุปัติสังขานุปัติสีลานุปัติแล้วก็มีอีกนุปัตติหนึ่งนะั่นคือต่อทายนอุปสมานุปัติเราคิดไปเสมอว่าถ้าตายคราวนี้เราต้องการที่ตายนี่พระเสะดาบันทำไมยังบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติฝึกจิตข้วไฟทิ้งโคตรภูยาม ไอ้โคตรภูยานเนี่มันยังเหมือนกับเรายืนข้อมำรรางขานียืนอยู passé, say, ่ฝ <g zia> ั in, sal, ่านี <s> ้ขานีย <resh. S 1> so ือยู่ฝั่งนมันยังไม่ยกขันใช่ไหมคือไฟโลกุยะมันก็ยังไม่ขาดไปโลกุตระก็ยังเข้าไปถึงแต่ยังไม่อยู่แน่ก็เรียกว่าโคตรกูกับระหว่างระหว่างโลกเยชงกับระหว่างความเป็นพระอริยเจ้า พอจิตเข้าถึงโคตรภูญานตัวนี้อารมณ์มันจะักพันิพาน์อย่างยิ่งความรู้สึกเี่ต้องการเป็นมนุษย si, the the ์ต้องการเป็นเทวดาต้องการมีพรไม่เหมี่จิตรักพันิชภัณฑ์จริงๆทำไมนี่ทำไมหน่อยเราทำเพื่หวังนิพพานให้ข้าวกับหมากินเราไม่ต้องการให้หมาเข้าทาบุญ ไอ้ข้าวกับแมวกินแล้วไม่ต้องการให้แม่ไปกัดหนูบรรยากัดถ้าไม่กัดมันมของมันเสียของเราไม่ใช่ใช่ไหมให้ขอแต่คนเราไม่หวังผลในการตอบแทนไม่รู้ว่าทําอะไรทุกอย่างไม่ต้องการหวังผลในความเป็นมนุษย์ในความเป็นธรรมดาแลือเปล่การเราทำทุกอย่างแม้แต่ชี้ทางบุคคลผู้หลงทางแมนําให้เขาไปหาคนอื่นวันนี้เราทําเพื่อผลิตผลทําทด้วยการสร่งต่์ จิตเรี่ยทำด้วยการสงเคราะห์อย่างเดียวไม่หวังผลตอบแทนแต่ลงโดยเฉพาะเราหวังนิพพานวันนี้เมื่อจิตเข้าถึงโกรธภูยานเปนหวังนิพพานแล้วเพราะจิตเข้าถึงมาโสดาบันไอตัวที่เพิ่มจากต้องการนิพพานมันมาอีกนิดแต่ไม่เชื่อธรรมดาพอถูกเขาด่าเขาว่ามันก็โกรธโกรธตก มันก็ใายหลังมาคิดถึธรรมดาหน้าตีโลกเกอร์นิโตคนไม่ถูกมินทาว่าร้ายไม่มีในโลกแม้แต่รูุ้ทธเจ้าถ้านมีแรงถูกดา่าใช่ไหมเราไม่ดา่ารับหลังไม่ชี้หน้าดา่าต่อนหน้ารูุ้ทธเจ้าโดนยิ่งกว่าเรานะดา่าเราเขาทาไมโดนเตะเข า, าอะไรอย่าง น, นนะไม่ชี้หน้าดา่าใกล้ๆนะตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ชี้หน้าแมว ที่หน้าดาดใกล้ท่านยังไม่ท้ท่านยิ้งเฉยๆแต่นั่นท่านเปีะหันสมับพระโสดาบันยังไม่เปีลหันเขาดาก็โกรธแต่ไอตัวโกรธแต่มันถอยหลังเลยใช่ไหมสักครู่หนึ่งไอเ้าด่ามาในไม่ตีตีไป่า่าเขาโกรธตะโกนแน่เขางโกรธแต่ว่าสักครู่หนึ่งหรื อ, อยางช้ก็สักครึ่งวันหรือครอ่วันหรือ ว, ว, ว, วันหนึ่งมันจถอยหลังล มันยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราแพ้เขาแพ้เนี่ยทำมาแพ้ไม่ใช่หมายว่าไม่ได้ด่าเขานะล้าไ่เกลืทอนมันแพ้เนี่ยว่ามันจะลงระรลยมันเป็นเรื่องแมวบาดเาคนเดียวกูไม่บาดละมือแต่นี้แต่ใครก็อยากเลยวชวนโก ง, นงโนวงโกงนี่ข้อดาบานแนวแน่เด็ดปอย่างพวกขลังการเนี่ยโกง ท, คทกคนรบบน้อนบาดบางเวลา แงแงนทำใช่นี้างคืนแล้วกันนึกว่าเราไปทำงานตอ <g ül> นนี้เรงโกงครอบสินช บ, บ้านไม่มีการโกงแน่ใช่ไหมชวนเท่าไรก็ไม่มีความหมายแค่กโกรธมันจะมีโกรธแล้วก็ยังอยากรวยรวยเพราะทางดุการบริสุทธิ์มันจะมีความอะารมันไม่ไม่มีบาน ต่อมาในเมื่อลมเข้าถึงเาโสดาบันเต็มที่ให้ความต้องการพลัพานจิตไม่มกมเกิดขึ้นให้ความรู้สึกก็ธรรมดามันก็มากขึ้นก็ไละเอียดที่มันเองนะนละเอียดเองต่อไปมันก็มีความรู้สึ ก, กว่าเออไอคนเราแก่ไปทุกวันทุกวันไอของเราเ ก, ก่าทุกวันทุกวันมบอก็ไม่เจ็เรื่อง เอกความเมาในความสวยสดเพลิงามต่างๆโลกเสียงกินรสสัณปัดมันเบาหลงไม่ใช่หมดนะไม่ใช่หมดที่มันเบาลงได้เพราะอะไรก็แต่เมื่อจิตรักนิพพานแล้วก็ไปทํางไปนั่งคิดว่านิพพานนี่ครับไปจริงๆนะไปได้ยังไงนี่เราเป็นพระโสดาบันนี่เราไปอยู่ชั้นดุสิตได้แล้วสบายๆตานเรามีกําลังชันข้าก็ไปอยู่กรมได้ ได้ฉันดูสิทธิ์เือพรหมนี่มันยังไม่แน่ต้องไปต้องไปไถ่ไดอีกเลยดีไม่ดีก็หล่นปุ๊บ ม, มาเกิดเป็นคนรนรกทำไมไปแน่มาเกิดเป็นคนมันก็ไอ้รูปนี้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายป่วยทุกข์ี้ทุกข์เหี้ยวใช่ไหมก็เป็นเรื่องปูนน๊เปิดนิพพานดีกว่าเปิดนิพพานยังไงก็ต้องมานั่งไล่เบีย้ยเลยมีพพานเขาทำยังเขาต้องตัดรากฮะ ตราคาตัดตุนไหนตัวนี้ตัวนี้ต้องเริ่มใช้กรรมฐานหนักนิดนึ่งหนัก็ไ่นิดใช่กายกาตาโนปติได้สุกับกรรมฐานควบหาความจริงด้วยปัญญาไอ้ความจริงปัญญาหรือสัญญามันก็ใช้ได้ไอ้คนเนี่มันสุกอบรทุกคนเห็นไหมมีขี่มีเหยื่อมีเหงือมีใครมีเลือดเลี้ยงเลียงมันม น, น้นอ แต่ว่าถ้าใจมันยังตัดไม่ได้มันก็ยังมีความพอใจแต่ความพอใจต่นี้มันลดตัวมันเหลือนิดเดียวนี่พอกรุทึงสิริทาคา ม, ม, มีนี่จะมีความรู้สึกจือชื่อในด้นความรักระหว่างเพศความต้องการความนั่งโดยตกเท่าอไรก็พอวะทำกินไปตามหน้าที่ใช่ไหม ได้กันเดินเท่านี้เขาไม่ขึ้นอีกก็กุกิกนเท่านี้มันต้องหลายปีมาก่อนกินเมื่วันนี้ยังพอเนี่ยใช่ไหมอารมณ์มันตกขนาดนั้นแต่ว่างานเนี่ยทำดีเรียว่าโสดาสีพาคาในพระนิจเจ้าเนี่ยในผู้ทรงชันจริงเขาไม่ีด้เกลียดต่งานเขาไม่ค้อองาคคงตัวนี้ยังต้องถือบางคนข้อหนึ่งคืออนากุลาเจ ก, กามันตาเอกามังค ม, มุตัง ก, ก, การงานไม่ข้างค้างถือว่าเป็นดมมงคน์นตัวนี้เขาก็ยันนะ ถ้าผู้ที่เจริญไปกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่คนที่เกียดถ้าเจริญจริงๆนะไอ้จรเินหลอกๆไม่ที่เกลียดถ้าเจริญจริงๆเนี่ยไม่ที่เกียดเหมือนได้ทั้งงานมันค้างเวลาเจริญกรรมฐานหลับตาพุกงานโผ ล, เล่เนี่ยใช่ไหมอันนี้พว้นี้เขาอาต้องตัดงานให้หมดเลยคือไม่จิตมีกังวลทั้งหมดไปพู้นี้เขาขยัน ที่ว่าอาจารย์บอกว่แม้พอเจริญกรร ม, าาามฐานทำสมาธิโฆสนาทำมาแลรไม่ไหวไอ้นัาารร่นมันตัวนัตว์รบมันจะเจริญจริงหรอกมันหลอกเชียบ้างเพราฉันเป็นนักสมาธิัก้วมีโฆษณาใช้างานใช้ไม่ได้หรอกมัได้ไปเดียวศีจลจะหล่นหึแตมาที่จะหลน่นนไม่ใช่เขาใช้างานทุกอย่างเลยนะเป็นสมาธิแล้วก็ใช้างานทุกอย่างเป็นโฆษนา เรากินข้าวก็นั่งดูข้าวมันเด็ข้าวมันเต็มชามชากระไปชากะไปหมดไปทุกทีทดีมันเป็นนิจังและเป็นอนิจังเห่นไหมมันไม่เพียงให้ข้าวหมดเต็มชามชาะไปชากะไปหมดไปทุกท่อยลอยลอยรอยล่อแล้วหมดชามไปแล้วไปอนัตตาไปแล้ว <S <S ไม่จบเห็นไหมไอ<ๆ>้นี่ริงข้าวไอ้ข้าวมันหมดเออแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินอีก กินแล้วก็กินอีกแต่ก่อนที่จะกินก่อนที่มีข้าวกินต้องทํางานเหนื่อยเใช่ไหมอาการประเภทนี้มันแก่ น, นิจังเพราะนิจังมันจะเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นนิจังมันเป็นตัวเที่ยงจริงๆกินข้าวเดียวมัต้องอิ่มอิ่มตลอดการตลอดสมัยนี่มันอิ่มไม่จริงเลียกว่ากินเลียวกินเนอิกันในที่หาหามานี่ทําไมใช่เยอะไหมบานแล้วใช่ไหมต้องในรับมาั่งแรกอันนะ จริงๆแ้วเวลานี้ถ้าหม่ใช้เยอะๆในี้นนมีเท่าไหร่มีน้อยกว่าเก่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นปอนิจจังใช่ไหม <c oughs> มันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าหามาได้แต่มันจะอ ย, ยู่แล้ก็มีกี่ที่ต้องใช้ไปเอาไปบารุงอะไรบำรุงกายได้กายเนี่ยบารุงเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ใม่พอแ ล, แลอ้นได้ร่างกายนี้ถ้าจะเป็นคน เอาสมอจะเป็นเพื่อนเราเราก็คบกัน ไ, ได้เพราะว่ามันเป็นเพื่อนที่อากตันยูไม่รู้คุณ ก, กินข้าวมากี่เกี้ยนละไงหาเสื้อผ้าให้มันมากี่ชุดเห็นไหมทุกอย่างที่มันต้องการเราเราให้แต่เราขอร้องมันอย่างเนี่ยมันจะแก่เลยมันยอมไหมยอมไหมใครใครไม่แก่ไหมเนี่อันนี้สาวน้อย เมื่อแกแกไม่เบี่ยนะันอย่าให้มันป่วยเป็นไข้ะง่ายแกก็จะนไปไม่ว็ไม่ยอมเห็นไหมนาจะเข้ามันจะเจ็บจะป่วยบ้งแกบ้างก็ไม่เบี่ไลหรอกวอย่าเพิ่งตายเลยอยู่เป็นเ่วนลูกหลานก่อนมันยอมเปล่าทั้งก็ไม่ยอมนี่ร่างกายมันเป็นของไม่ดีท่นี่เปอารมณ์อาหารอารมณ์สัญธาคมีก็ต้องเห็นว่าสภาวะของร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกแงหน้าตา มีสภาพสุขบกมีสภาพนํามาถึงความมุ่งหก็เกิดความเบื่อในร่างกายเห็นในขอสวยเขาใช่ปัญญาอะไรตัวนี้เห็นนี่ยสีสดสวยไม่ชาม่งางก็เศร้าเจ๊ะไหมเป็นความเศร้าของของสวสวยซักข้างหนึ่งทีนี้ครับไม่เห็นใหม่เขรู้ว่าเันนี้มันช่าก็เศร้ามันชา่งางก็เศร้าอารมณ์พอใจในการมาคุณห้ามมันก็ลบกลัวมัใช่ลดนะ ถ้าลดมันลดเลยนะไม่พอไมอ่ละลดไแค่ไหนมันไม่ขึ้นหม่อีกวันเดียวสักตัวหรึ่มาไึงความร่ารวยก็ไปนั่งดูยได้คนรวยมาอย่างจอมพลอดุลยนี่รวยตั้งเยอะคุณเท่านี่รวยตั้งเยอะเวลาตายแกไม่ยักเอาอะไรไปเลยเห็น ไ, ไหมดันั้นพวกนี้ก็ทํางานตามหน้าที่ครบส่วนในฐานะที่เป็นพอ่อพ่อบ้านแม่บ้านลูกบ้าน งานทุกอย่างทําตามหน้าที่ครบแต่ว่าทําเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อจิตจะได้ไม่กังวลแต่ว่าเราไม่ต้องการมันใช่ไอกาอกาอย่างนี้เราไม่ต้องการมันมันก็เริ่มเบื่อกายมันก็เริ่มไม่เมาเลยทรัพเท่าไรก็พอคําว่าเท่าไรก็พอมันก็มาเรารับเลยการ ในเมืม่อเรากจริญกันมาถ่าย ง, งานมันก็ดีสมาธิดีปัญญาดีเขาให้เงินเรขึ้นเราก็พอใจเขาไม่ให้ขึ้นเราก็พอใจเห็นไหมจิตมันเป็นสุขน <c oughs> ี่ก็แปลว่าตัดโลภะและ้วเห็นไหมไม่ใช่ชว่าเช้าชามเรีย็นชามับปีอยากได้มันไม่ขึ้นที่ไหนส่วนดีไม่ดีเดือนมาทำงานสิบห้าวันอยากได้สองพัน ไอ้นคนยัะลดท่าขั้นไหนเห็นไหมไอ้ น, นี่มันเป็นความโลภนี่เราทำความดีแสนดีแต่ถ้าว่าถ้าเขาไม่ซื้อเลยนะไ้ก็ช่างเขาว่าไรแต่ถือว่าถ้าบุญวัสนาา ร, รมีปัจจัยเดิมเราทำแค่นี้แล้วก็พอใจแค่นี้แค่นี้มันก็พอกินลไม่ใช่ไหมแล้วก่อนนี้เรากินเงนเดือนน้อยกว่านี้เรามีรายได้น้อยกว่านี้เรายังมีชีวิอยู่ได้ ในเวลานี้เรามีรายได้เท่านี้ทําไมเราจะมีชีวิตจึงมีได้ความจริงคนเจริญกรรมฐานจริงๆนี่คือคนรวยไม่จนข้ออะไรเพราต้องมีสินบริสุดใช่ไหมถ้าสินบริสุทธ์คนมันจนไม่ได้มันจริงข้าวในบ้านทําไมจําเป็นเขาไม่ไปกินข้าวนอกบ้านเสือ่อ หนึ่งเราไม่มีความผูดได้เรื่องการหาเรื่องทะเลาะกันไม่มีใช่ไหมมันมีตาจิตไม่ตาบารณีสองเราไม่ลักไม่ขมูลของใครถ้ายังมีตำรวจไหนเขามาจับเราเสียเงินี่ทองใช่ไหมสาเราไม่แย่งความรักคนอื่นขายพระโตู์ไหนสี่เราไม่โกหกใครห้าเล่าสุราเราก็ไม่กิน อันนี้เน้นเมื่อกิจมันอยู่ในขอบเขตแบบนี้แม้ก็เงินก็เหลือใช้เจ้ย ว, ว่าแต่กันเดือนตั้งหลายหายพันเลยเงินเดือนครึ่งพันก็พอกินไอ้กินข้าวในบ้านเนใครว่ากินหมูแล้วก็กินไม่ได้เราซื้อหมูมาชิ้นแช่เย็นไว้เวลาอยากกินกับข้าวเราก็มาตั้งรสมาด้วยใช่ไหมมากินข้าวหมูอ่ะ ก็ไม่ได้กินหมูนะอะไรมันก็กินได้ดูพระอรหันต์ท่านให้ก็กินไม่เลือกงอย่างมไม่ว่าจะเจ้านี่ท่านชั้นไม่เลือกงเขาให้ยังไงสมัยพิญญา น, น, นี่คนดีจะรียกรรมฐานจริงๆรถ้าบอกว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยสงสัยเหมือนแต่ตว่าเรามีหนี้สินอยู่เก่านะั่นมาเรื่องหน้าหาใช่ไหม ว่าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจําจะต้องใช้เพราะเรืีที่มันเกิดขึ้นโดยเรียกว่าไม่มันมันมันจำเป็นอะไรื่องเนี้ยไอ้ น, นี่เราเชื่อถ้าไม่พอก็เรื่องนี้เชื่อถ้าอยู่โบติบอกว่าไม่มีใช่นี่ไม่ได้ทำจริงแล้วศีลมันหลุดลื่ยเงินแล้วไอ้คนมีศีลปกติมีเงินมันพอพอเพา อ, อะไรพราะไอ้ความทะเยอทะยานมันไม่มี กินกับข้าวดีก็แก่กินกับข้าวธรรมดาก็แก่กินข้าวก็เกลือก็แก่กินข้ากับหมูหันนี่ไม่แก่แก่ไม่ได้หมูชนตายหมูหันนี่ยไม่ใช่หมูย่างนะหมูหันมันก็ตั้งต๊ะปุ๊บข้าวหมูตัวมาวางปั๊บกับมันยังเป็นย่งเหันไปหันมา แก่ไม่ได้ถึงไปหลบกนันตรนี้มันโดดชนตายหัวจะไม่ได้ไปไปบ้านบอกเว้ยวนี่เลี้ยงข้าวหมูหันมาหาหมูตัวแข็งแรงหน่อยใช่ไหมดีไม่ไดีหมูป่าก็ได้หมูบางรายโตไมันมีใครแก่ง่อยกันเลยเขา ง, ง่อยาขาย ง, ง่อยๆๆ เขาจะแก่ลงเนื้อหมูผิดตายนีย่เป็นอย่างนี้เป็นนั้นว่าถ้าเที่ยงสกิธาคา ม, มีมันก็ลดตัวลดอํำ น, นาจของความรักในเพศลดอำ น, นาจของความโลภความพอมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลดอํำ น, นาจของความโกรธแล้ลดอำนาจของความโลภเ น, นีย ล, เลยเราจะรู้เลยตั้งแต่ปัจโสถาจิตทุงคนไหนเข้าถึงปัจโสดาบันถ้ามีเครื่องวัด หนึ่งไม่บกกร่องในศีลสองบุคคลประเภท น, นี้พระอดีเจ้าจะนี้พอใจในการสงพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีวินัยบทหนึว่าพระถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆข้ามขอแตกรูนที่สมมติว่าเป็นพระเสขาแใหพระเสขาดเนี่ยคำว่าเสขานี่เขต้องนับตั้งแต่พระโสดาแบ่งไป เพรว่าพูกนี้ถ้าขอเขาให้ถ้าสมมติผ้ายังมีอยู่ไมนขาดไม่หมดเดีวบาอย่างใช้ได้แต่ถึงไม่ขอปรับไบปรับเป็นโทษปรับไอบบัตอบับบที่มันโทษอับบัตทุกตัวเนี่ยมลงนรกเอย่านีกก่าอย่างที่ผ้าก็สนนอนการแปลบัไม่เป็นไรสวยไอ้พวกนี้ไอ้ตัวบัตทุกตัวแม้แต่ทุกกฎจะลงนรกนี่บุตรมันได้รอไ ตัวที่มีความสําคัญที่ตัวจิตตัวก็คืออาหารเรย์บริกูเรสัญญาอันนี้ไม่ได้มีเว้ในมีในแต่เวลานี้พอบวชเข้ามาเนี่ยตกมาล99เปอร์ต์ที่บวกเข้ามาเนี่ยลงทุนซื้อมรกกันเพราะว่าถ้าก่อนจะกินอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารเรย์บริกูเรสัญญาเนี่ยลงมากทันทีแตวันกินกี่เมื่อ ตัวกัญชากัญชาชไปยีเมื่อเช็ดไม่มีทางถอนตัวเลยนีไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวพืชผ่านเองมันก็ลงนระูปของใบแถวมันไม่รู้ทําไมจึงไม่รู้ไม่ศึกษาเขามีอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขามี ไ, มไปเอวุบชาเองก็ลงในระูปในลานี้อุบะชามันไม่ใช่อุบชามันเป็นกัญชามันเมาในราบในยศ อุปชานี้มีหน้าที่หนักที่สุดไอ้กรรมฐานห้าดีสอนมุสีต์เนี่ยบางทีอุปชามันไม่ได้ทําไม่ใช่บางทีฉันมันหลายตัว ท, ที่มันไม่ได้ทําำเห็นได้ว่าเมาในการบวดใครเข้ามานิมนต์เรีดรับไม่ได้ศึกษาคำแนะนําคําบังคับข้บพอบังคับของพระพุทธิจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงบริลิขพันธ์ก่อนมัน ทรงมีบทบรรยายข้อหนึ่งว่าใครจะบวชมานี่อันดับแรกต้องอยู่ติดยพระปริวาสก่อนสามเดือนให้ฝึกฝนวิชาความรู้ธรรมปฏิบัติธรรมวินัยถ้ายังไม่ดียังไม่ให้บวชสามเดืนอนนถ้าถ้าต้องให้อยู่ต่อไปสามเดือนถ้ายังไม่ดีให้อยู่ต่อไปสามเดือนสามเดือนสามครั้งเราดีไม่ได้ไม่ไมให้บวชเลยอุชายทีนี่ไปหาวันนี่ผู้นี้ก็บวชได้ ใช่ไหมไอพวนี้ไอพวกกัญชาเทานั้นเมาอยากจะมีสถีหาริษฐกมากๆบวชมากๆทำบัญชีโสงเขที่ได้โกโก้ฉันเป็นนักบวชให้เขาลงมาไอคนนี้ลงนรกในเมื่ออุปชามันลงนรกก็อยากย่รู้รสิมขึ้นฉรัง น, นี่ปนเ้ยโยมไอคนสร้างมันลงนรกและไอคนที่ถูกสร้างนี่ซึ่งร้ี่คน มันเป็นอย่างนี้แล้วคนอีกสําคัญอีกคนก็คือเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยอันนีความรู้อะไรบ้างเจ้าวาดนี้เจ้าวาดนี้ต้องเป็นผู้ทรงอภิสิทธิแต่พราะอย่างนี้พระที่บวชมาแล้วหนึ่งอภิสิทธิ์สิกขาสองอธิกิตติสิกขาสามที่ปัญญาศิกขาสามอย่างนี้จะบกกรองไม่ได้ยังไงครับครับบก มาศสกษาตั้งแต่แม่โจ้เขารำทันข้อมันนี้เห็นไหมขอนี้อะไรข้อนี้ทำไมเขามาไว้ไลดึบแลนี่เขาอะไรเขามาดิทํามาดเบดิบเมียน่ะไม่มีที่คือเนี่ยเต็มหมดเนี่ยข้าที่ไหนอ่ะมาท่เชีงหม่เชียงใหม่ที่มีห้องไงห้องจ วันนี้ผมมีรอยโอกแล้วกันนะที่สิบต่อสิบหนึ่งนะแล้วห้องห้องที่เจห้องมีรืเปล่าถ้าไปถามชาติดูมากันคืนี่เป็นมาทำไมรักกันแล้วมีบั ต, ตรประจำตัวรือเปล่าหรือว่ไปถามมีบัตรประชาชนหรือป่าถ้ามันมีบัตรคับไม่นาน่ชนี่ย ก็ว่าเราก็ต้องดูว่าอาหารใดไดูทียาเขามนใช้ก็ต้องนรกหมดใช่ั้ยนี่เป็นอันว่าทุกพาะที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยเวลานี้แล้วก็พูดนว่าเขาบวดเพื่อลงนรกแค่ก้าสิบปร์เซ็นต์าับไหมม่แต่พูดแล้วไม่มาดีดดกัน ถ้าคุณไม่ถือเวลาที่นี่เขไม่รับแขกนะคุณตัดไม้ตัดไม่ทัมมาตั้งใจมาต้องดูเวลาเด็กาติดเียนหนึ่งวันเลยนี่ที่อาจารย์จำเลยนะไปวัดต้องมีระเบียดนี่ท่ามันเป็นวันนี้นะถ้าวันอื่นถึงเข้าวัดไม่ได้เลยวันอื่นเกือบหกโมงเขปิดแล้ววันนี้เรามงสอนมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็เด็กทุกคนมีหลักฐานนะครับเอาเอาคนมาพายุดไว้เอามาเอาบัตรเข้ามาเอาคนมาเก็มือถืทั้งหมด17คนแล้วก็ให้เขาไปดูห้องก่อนห้องเขาพ้อกรือล่าวันนี้ไม่แน่ห้องพร้อมไม่พอนะถามพระกันก่อบางทีบางคนอาจจะทักอยู่บนมื็ได้เพราะว่าจะเดินเส้น่างนะโดยคือเป็นผู้ายเที่นี่พระระบาง ก็เจ้าหน้าที่ก็ส่งสองมันอยู่พนักงานอูหรือว่าให้แกอยู่ในระเบียบดีในนะเพรานักศึกษาในี่ยเปนคนชั้นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กจะต้องพูดกันคําเดียวรู้เรื่องนะใช่ไหมเนี่ยเป็นเป็นพ่อหนังษสษนะือเนี่ยเอาไปไถามพ่อเขาหนูห้องเขมีหม้หถ้ามีถ้าอยู่ห้องไหนก็ อ, อยู่ห้องนั้นไปถ้กากลางคืนจาออกก็จ เ, เดินนะบอกให้้ให้รู้ระเบียบนะ วัดต้องเป็นวัดอยู่เจ้นที่อยู่กลางวัดไ่ใครพลันไปไหนเออสี่ทุ่มเนี่ยลาลงทีเสียกวามรูมั้งวะเดี๋ยวใช้ยานอนใช้ก็มาสบายเหมือนกันเดนสบายมันเพียชัด ไปหน่อยนทีนะเข่ามาัลุกมาจะขึ้นแล้มไม่ได้เดินจันอะไรกันเอ้ยใช่ว่าแล้วเดินจะเข้าสวม คุยไปคุณมาขี้แแต่บับท <c oughs> ีเห้ยเขอจเออเปียดเอันนี้ไปให้อะไรผมหมอผูปอที่ไปแค่ที่บัตแก้วนะ น, นิดเดยเพาะให้ผ้ป่วยแ้วก็ติดเขาอันนี้ก็ขายขนาดเห้ยเ น, น้ <c oughs> ไม่ไม่มันยังไม่ได้ต้องส่งของก่อนฉันรู้แล้วว่าที่นั่นในสะสมของไม่ถมของก่อนดีกว่าข้าวนี้พร้อมที่จะนั่ได้นไม่ได้ไม่ให้ถ้าไม่ส่งของมาก่อนในเรื่องแล้วไม่ให้ไม่นสําหรับต้องเป็นสมาชิกก็ส่งของเข้ามาไว้ในในคลังก่อนนี่คิดระเบียบฟังแล้วเใครมาบอกออ อาจารย์ที่ ม, ม, มาวิดอะไรเนี่ยเลยครบอกเอ้ยนี่ติดระเบียบของทำไม่ได้บัญชีวิทยาครูนี้ตอนนี้มีของมาเยอะแล้วก็อเอาไปบริจาคโดยทางว่ า, าต้องส่งบัญชีส่งของมาต่อที่ไปไม่แจากเรียญ น, น, นะนี่จะต้องดูขอ ง, ของก่อนไม่ใช่แ่เอาจจชื่อมาไม่เอาแล้วตระเบียดไม่ถูกไม่ทำไม่ถูกเดีด๋จ ของต้องอยู่ในคลังแต่ของอยู่ในคลังเรายังจ่ายไม่ทันกับเวลาเลยไอ้ของอยู่กับชาวบ้านเนี่ยกว่าจะเขาออเจะตายกว่าจะมาพูดกันได้กว่ารู้เรื่อ ง, องมันไม่เท่าท่นผิดนะเพราะนี้ท่าไม่จ่ายเพื่อของต้องอยู่ประจำคลังอยู่กับคลังแล้วมันจะต้องจ่ายได้ทันทุงสีไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องมาปั๊บน้ําท่วมเอามาเรียกการข้าวมารวมอะไรจะได้ ี่อระเบียกที่ะอยูยหัวทรงทรงมีพระรไชประสงค์ไว้ต้องอยู่ประจำครังแล้วก็ต้องแก้ไขได้ทันท่วงทีแล้วันไห้เข็มสมาที่นีม่มันเป็นเข็มอันหน